เพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจณสถานที่แห่ง น, นี้เราจะมีการแสดงธรรม30นาทีในช่วงแรกแล้วอีก30นาทีต่อมาเราก็จะมีการปฏิบัติธรรมคือมีการนั่งสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้เกิดความสุข ความอิ่มความพอขึ้นมาเพื่อที่จะได้ใช้ปัญญาที่เราได้เรียนรู้มากำจัดต้นเหตุของความทุกข์ของใจก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจธรรมะที่จะแสดงในวันนี้มีหัวข้อว่า ข้อสอบของชีวิตพวกเราทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้เหมือนเป็นนักเรียนที่ไปโรงเรียนเวลาจะปิดเทอมทางโรงเรียนก็จะมีการให้สอบเพื่อจะได้รู้ว่าจะผ่านชั้นนี้ไปได้หรือไม่ถ้าสอบผ่านก็จะให้เลื่อนชั้นไปสู่ชั้นที่สูงกว่า ถ้าสอบตกก็จะต้องเรียนซ้ำชั้นต่อไปจนกว่าจะสอบได้ชีวิตของเรานี้ก็เป็นเหมือนห้องเรียนห้องเรียนที่เราจะต้องมีการทำข้อสอบของชีวิตของพวกเราข้อสอบของชีวิตของพวกเราคืออะไรก็คือความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาคจากกันนีเอง เป็นข้อสอบเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ใจเราทุกข์กันเวลาที่เราต้องเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอกับความตายเจอกับการพัดพากจากกันเราก็จะเศร้าโศกเสียใจหวาดกลัวนี่คือปัญหาหรือความทุกข์ของพวกเรา ทุกข์ใจของพวกเราเวลาที่เราเจอกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายใจเราจะทุกข์มากแต่ความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะกำจัดได้ถ้าเราสามารถกำจัดความทุกข์ที่เกิดจาก ความแก่ความเจ็บความตายความพัดภากจากกันได้ก็ถือว่าเราได้สอบผ่านเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอยู่ไปเรื่อยๆอีกต่อไปแต่ถ้าเรายังไม่สามารถกำจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นเวลาที่เราแก่เวลาที่เราเจ็บเวลาที่เราตาย เวลาที่เราพัดพากจากกันเราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและมีพระอริยสงสารของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้จักวิธีทำข้อสอบอันนี้ เราจะไม่รู้จักวิธีทำให้ใจของเราไม่ต้องทุกข์กับความแก่ไม่ต้องทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องทุกข์กับความตายไม่ต้องทุกข์กับการพราดพลาคจากกันเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสารกก็ดีได้สามารถกำจัดความทุกข์เหล่านี้ ให้หมดสิ้นไปจากใจได้แล้วนั่นเองเริ่มต้นที่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ได้ศึกษาได้ค้นคว้าว่าทาไมพระทัยของพระองค์จึงต้องมาทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายทุกกับการพัดพากจากกันหลังจากที่ได้ส่งศึกษาได้ส่งปฏิบัติก็ส่งค้นพบสาเหตุ ของการมีความทุกข์กับร่างกายก็เพราะว่าใจต้องพึ่งร่างกายเพื่อทําตามความอยากของใจใจอยากจะหาความสุขจากการเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดตะพาชนิดต่างๆคือมีกรรมะทันหานี้เองกรรมะแปลว่ากามะคุณห้รูปเสียงกลิ่นรสผดตะพา ปัญหาก็คือความอยากความอยากในการมาคุณห้านี้จําเป็นจะต้องมีเครื่องมือต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายถึงจะสามารถหาความสุขจากรูปเสียงเก่นรสผธภพชนิดต่างๆได้เราจึงมาเกิดกันมามีร่างกายกันเรานนี้ไม่ได้เป็นร่างกาย เราเป็นผู้รู้เนียกว่าใจหรือาร้าตรู้ที่มีความสามารถที่จะเชื่อมต่อกับร่างกายเพื่อรับรู้เสียงกลิ่นรสพุทธพชนิดต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกริ้นกายของร่างกายได้ใจเลยต้องเพื่งร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะใจ อยากจะมีความสุขอยากการได้ดูได้ฟังได้ลิ้มรส ด, ดมกลิ่นต่างๆถ้าไม่มีร่างกายใจก็จะไม่สามารถที่จะเสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้นั่นเองใจจึงรักใจจึงหวงร่างกายนี้ไม่ต้องการให้ร่างกายนี้เป็นอะไรไปเพราะถ้าร่างกายเป็นอะไรไป ใจก็จะไม่สามารถหาความสุขได้นั่นเองอันนี้คือสาเหตุที่เราทำไมถึงมาเกิดกันมาลักมาหวงร่างกายนี้กันก็เพราะว่าเรามีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพชนิดต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ถ้าการจะเข้าถึงรูปเสียงกดลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆเหล่านี้ได้เราก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือนั่นเอง <S <S เราจึงไม่อยากให้ร่างกายนี้เป็นอะไรไปไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้ร่างกายตายไม่อยากจะสูญเสียรูปเสียงกดลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆที่เราได้มาไป เพรามันจะทําให้เราไม่มีความสุขจะทําให้เราเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดแล้วไม่สามารถเสพยาได้เวลาติดอะไรแล้วไม่สามารถเสพสิ่งที่ตนอยากจะเสพได้เวลานั้นก็จะเกิดความเศร้าโศกเกิดความซึมเศร้าเกิดความว้าเหวเกิดความเศร้าสร้อยง่อยเหงาเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีหงุดหงิดลาคาญใจ ไม่มีความสุขเราจึงกลัวความแก่กันกลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยกันกลัวความตายกันกลัวการพัดพากจากคนที่เรารักสิ่งที่เรารักกันแต่โดยธรรมชาติของร่างกายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีและธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็ดีเช่นราบยศสรรเสริญ เช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒนาชนิดต่างๆของเหล่านี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดานี่คือสิ่งที่ใจไม่รู้ตอนที่เกิดมีความอยากอยากจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ใจไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่แน่นอนมีเกิดได้มีดับได้แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงได้จากดีกลายเป็นไม่ดีได้จากสุขกลายเป็นทุกข์ได้นี่คือข้อมูลที่ใจไม่รู้กันถ้าใจรู้ข้อมูลเหล่านี้ใจก็อาจจะเปลี่ยนทัศนคติต่อสิ่งต่างๆในเรกนี้ได้ แทนที่อยากจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ก็จะไม่อยากหาเพราะรู้ว่าสิ่งต่าง ๆ, ๆเหล่านี้เป็นทุกข์นั่นเองไม่ได้เป็นสุขอย่างแท้จริงเป็นสุขแบบชั่วคราวและเวลาความสุขนั้นหมดไปเปลี่ยนไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีการมีร่างกายเวลาที่ร่างกายจเจริญเติบโต มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสามารถทำอะไรต่างๆให้ใจได้ใจก็มีความสุขจากการมีร่างกายที่แข็งแรงแต่ใจไม่รู้หรือไม่ได้ศึกษาว่าร่างกายนี้ไม่ได้แข็งแรงไปตลอดจะต้องเกิดความแก่ตามมาต่อไปจะต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคภัยต่างๆ แล้วในที่สุดก็ยจะต้องถึงแก่ความตายแต่นี่เป็นสิ่งที่ใจไม่รู้ใจถึงมาหลงมามาเกิดมามีร่างกายแล้วก็มายุดมาติดกับร่างกายมาสายร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆพอเวลาเห็นคนคนแก่ขึ้นมา เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเห็น <ij> คนตายขึ้นมาแล้วพอมารู้ว่าต่อไปร่างกายของตัวเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นเหมือนกับคนคนแก่ที่เราเห็นจะต้องเป็นเหมือนกับคนทีน่เจ็บไข้ได้ป่วยที่เราเห็นจะต้องเป็นคนตายเหมือนกับคนที่เราคนตายที่เราเห็นใจก็จะเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาเกิดความทุกข <ij> ์ข <i> ึ้นมา นี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทรงรู้ทรงพบทรงเห็นตอนก่อนที่จะได้บวชเนี่ยตอนก่อนที่บวชก็ได้เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะอนนั้นก็มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นหนุ่มชายชกันมีกำลังวังชาสามารถทำอะไรต่างๆได้สามารถเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ตลอดเวลา มีความสุขจากการเสษรูปเสียงกลิ่นรสเพราะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระราชกูุมารเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาบำรุงบำเลิอย่างเต็มที่มีปราสาทสามฤดูมีบริษัทบริวารคอยห้อมล้อมคอยรับใช้ตอบสนองความอยากทุกทุกประการ แต่วันหนึ่งพอทรงออกไปเที่ยวนอกพระราชวังแล้วก็ไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็ทราบว่าต่อไปนั่งกายของพระองค์เองก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาเป็นอย่างมากทุกแบบที่ไม่เคยทุกข์มาก่อนตั้งแต่เกิดมานี้ไม่เคยเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเลยเพราะว่าพระเจ้า สุดโททนะพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถานี้ทรงห้ามไม่ให้ให้คนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวังไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถาเห็นความทุกข์ของร่างกายเพราะกลัวว่าเมื่อเจ้าชายสิทธัต ถ, ถาเห็นความทุกข์ของร่างกายแล้วก็จะไม่อยากที่จะอยู่เป็นกษัตริย์เด็กต่อไป อยากจะไปบวชเพราะการบวชเป็นวิธีที่จะสามารถช่วยกาจัดความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้ตอนตอนที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะประสูติขึ้นมาใหม่ๆพระราชบิดาก็ได้เรียกพระโหราจารย์ต่างๆมาทำนายดวงชะตาของเจ้าชายสิทธัตถะ พระอาจารย์ส่วนใหญ่ก็ทํานายว่าถ้าอยู่คลองราชก็จะเป็นมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกบวชก็จะเป็นพระบรมศ า, ศาสดาเป็นพระอนันตสัมมาสาัมพุทธเจ้าเราใช้สุดโทธนะก็รู้ว่าการที่คนเราจะไปบวชกันก็เพราะต้องมีความทุกข์ใจกันทุกข์ใจกับชีวิตที่เรามีอยู่ว่ามันไม่สามารถ คุ้มครองใจเราไม่ให้ทุกข์ได้มันทำให้ใจเราทุกข์กันตราบใดที่เรามีร่างกายตราบใดที่เราพึ่งพาร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขพอร่างกายอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้ความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นมาทันทีดงนั้นพระพุทธเจ้าชายสุโธทนะพระราชบิดาจึงพยายามห้อมล้อม เจ้าชายสิทธัตถ์ด้วยความสุขต่างๆไม่ให้เห็นไม่ให้เหความทุกข์ของของโลกนี้ไม่เห็นเห็นความเสือ่อมมีแต่ความเจริญมีแต่ของสวยๆงามๆ ม, มีแต่ของดีๆของไม่ดีของไม่สวยไม่งามนี้ให้กําจัดออกไปเพราะอยากจะให้เจ้าชายสิทธัตถ์อยู่คลองลาดเพื่อที่จะได้เป็นพระมหาจักพรพรรดิต่อไปนั่นเอง แต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถปกปิดได้ตลอดเวลาพอวันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะได้มีโอกาสนีเอาไปชมสิ่งที่อยู่ภายนอกวงังก็ได้เห็นกาคนแก่คนเจ็บคนตายได้เห็นนักบวชจึงได้รู้ว่าชีวิตของร่างกายนี้มันเป็นของไม่เที่ยง มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาไม่มีใครที่จะร่วงพ้นไปได้ถ้าอยากจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็ต้องไม่อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขก็ต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขใหม่หาความสุขของนักบวชนักบวชก็คือ เขาจะหาความสุขจากการทำใจให้สงบแทนแทนที่จะหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกษษษษษ่ดรดเขาก็จะไปฝึกจิตไปภาวนาไปนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบ ต, ตอนนี้ฝนนริ่มตกเล็กน้อยคงคิดว่ายังไม่เป็นปัญหาท่านที่นั่งที่ไหนที่ไม่เปียกก็นั่งไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ ไว้ให้มันเปียกก่อนให้ฝนสาดก่อนแล้วค่อยขยับขยายกันท่านที่นั่งอยู่ภายนอกไม่มีหลังคามุงหรือบางก็ จ, จะต้องสลับหาที่ที่มีที่มุงที่บงังปเกติถ้าเกิดฝนตกขึ้นมาแล้วเกิดเสียงดังจากฝนที่กระทบกับหลังคา ก็อาจจะทำให้การฟังเทศฟังธรรมนี้ไม่มีรสชาติเพราะเสียงมันดังอาจจะฟังเสียงธรรมะที่แสดงนี้ไม่ได้ชัดเจนเราก็จะมักจะหยุดการแสดงธรรมไว้ก่อนแล้วก็นั่งสมาธิไปฟังทางก่อนจนกว่าเสียงดังนี้จะค่อยๆหายไปแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเสียงยัง ไม่ดังมากพอพอที่จะฟังเทศฟังธํากันต่อได้ก็จะพูดต่อไปเพื่อให้ได้ใจความได้ข้อสรุปเรื่องของข้อสอบของชีวิตว่าเราจะทําอย่างไรถ้าเราไม่อยากจะทุกกับความแก่ความเจ็บความตายนักบวชสมัยก่อนหรือสมัยพุทธกาลนี้เขาก็ใช้วิธีเข้าสมาธิกันเข้าฌานกัน เวลาจิตเข้าสมาธิได้จิตเข้าฌานจิตก็จะมีความสุขขึ้นมาสามารถใช้ความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธินี้มาทดแทนความสุขที่ได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าชนิดต่างๆได้แต่แต่ว่าความสุขที่ได้จากสมาธินี้ยังเป็นความสุขแบบไม่ต่อเนื่อง เป็นความสุขเป็นพักๆช่วงใดที่เข้าสมาธิได้ช่วงนั้นใจก็จะมีความสุขความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปแต่พอออกจากสมาธิมาพอมาเจอกับเหตุการณ์ต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายมาเจอความจริงของร่างกายว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความทุกข์ก็ยังกลับคืนมาได้อยู่ ถ้าไม่อยากจะทุกก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิอยู่เรื่อยๆแต่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะร่างกายยังต้องมีการดูแลอยู่เข้าสมาธิไปได้สักครังเดี๋ยวก็ต้องออกมาจัดการกับความต้องการของร่างกายร่างกายก็ต้องการเข้าห้องน้ำบ้างดื่มน้ำบ้างรับประทานอาหารบ้างอาบน้ำอาบท่าบ้างก็เลยมีการเข้าออกสมาธิไป ช่วงที่เข้าสมาธิก็มีความสุขความทุกข์ก็จะไม่มีแต่ช่วงที่ออกจากสมาธิมาความสุขก็จะค่อยหายไปแล้วความทุกข์ก็จะค่อยปรากฏขึ้นมาใหม่จนรู้สึกว่ามันมากเกินไปก็เลยต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่นี่คือวิธีการของการกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตาย ของร่างกายความทุกข์ที่เกิดจากความไม่แน่นอนเชี่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆในโลกนี้<ม>ก็ใช้วิธีเข้าสมาธิไปดับความทุกข์ได้เป็นพักๆไปแต่ไม่สามารถดับอย่างใต้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิเจ้าชายศิทธัที่ได้บวชเป็นสัมมณโคดมก็ได้ศึกษาได้ปฏิบัติเข้าฌานเข้าสมาธิได้ ก็ยังรู้ว่าฌานกับสมาธินี้ยังไม่สามารถที่จะทำข้อสอบให้ผ่านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้ใจไม่ทุกข์ได้ในเวลาที่เข้าสมาธิแต่เวลาออกจากสมาธิมาพอมาคิดถึงเรื่องร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคิดถึงที่เรื่องของการพัดพากจากกันความทุกข์ใจความเศร้าใจกใ็เกิดขึ้นมาใหม่ ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ mm hmm. องค์ไหนก็ไม่มีใครรู้คําตอบว่าจะทําอย่างไรเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้ว mm hmm. ทำอย่างไรให้ใจไม่ทุกข์ mm hmm. เหมือนกับตอนที่อยู่ในสมาธิ mm hmm. ก็ไม่มีใครให้คําตอบได้ mm hmm. พระองค์เลยต้องไปค้นคว้าหาคําตอบด้วยพระองค์เองลองผิดลองถูกอยู่สักระยะหนึ่งจนในที่สุดก็ค้นพบว่า สาเหตุที่ทาให้ใจทุกเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิก็เพราะความคิดความอยากนี่อพอคิดถึงเรื่องร่างกายคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บความตายใจก็ทุกข์เพราะใจไม่อยากให้ร่างกายแก่เจ็บตายนั่นเองแต่เวลาเข้าสมาธิใจหยุดคิดใจไม่มีความอยากความทุกข์ในใจเลยไม่เกิดในขณะที่อยู่ในสมาธิแต่เวลาออกมาจากสมาธิ พอามาคิดถึงเรื่องร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็เลยเปรียบเทียบดูก็ทรงพ้นเพราะว่าความทุกข์ใจ น, นี้เกิดขึ้นตอนที่ออกจากสมาธิมาความทุกข์ใจเกิดเกิดจากความอยากของใจนี่เองที่ไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายซึ่งตามความเป็นจริงร่างกายก็เป็นสิ่งที่ ถ้ามันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนก็เลยได้ข้อสรุปว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ถ้าศึกษาดูธรรมชาติของร่างกายก็จะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่ใช่ใจ ใจไม่สามารถไปสั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้อพราะร่างกายเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของอเป็นของธรรมชาติเป็นของดินน้ำลมไฟที่รวมตัวกันสร้างร่างกายขึ้นมาแล้ววันหนึ่งนะดินน้ำลมไฟนี้ก็จะแยกออกจากร่างกายไปเมื่อพิจารณาดูธรรมชาติของร่างกายก็เห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตา ไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายอนัตตาห้ามเขาไม่ได้เปลี่ยนเขาไม่ได้ถ้าไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดทุกข์ขังขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจทันทีถ้ายอมรับยอมปล่อยให้ร่างกายแก่เจ็บตายไปไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะเราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายจากการทาใจให้สงบ เราก็ใช้สมาธินี้ให้ความสุขกับเราเราก็สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีร่างกายก็ได้เพราะการมีร่างกายการเครึ่งร่างกายนี้จะทำให้ใจทุกข์ถ้าไม่มีความความอยากที่จะใช้ร่างกายความอยากที่จะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่มีพอความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีความทุกข์ กับความแก่ความเจ็บความตายก็จะหายไปใจก็ไม่เดือดร้อนกับความแก่เจ็บตายของร่างกายใจก็ทาข้อสอบผ่านได้ <c oughs> พอทำข้อสอบนี้ผ่านได้ <c oughs> ก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ <c oughs> แต่ยังต้องไปเกิดพบที่สูงกว่าพ บ, พบของผมก่อนที่จะไปสู่การ หลุดพ้ น, นจากการกบมาเกิดอย่างสมบูรณ์ก็เป็นหน้าที่ของการทำข้อสอบอีกสองสามข้อด้วยกันที่จะต้องทำต่อหลังจากที่ทำข้อสอบข้อแรกนี้ได้แล้วคือความแก่ความเจ็บความตายใจไม่ทุกข์กับความแก่ความตายเพราะใจไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขแล้วเมืม่อไม่ต้องการใช้ร่างกายก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกาย พอร่างกายอันนี้ตายไปใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมามีร่างกายไม่ต้องมาเป็นมนุษย์เด็กต่อไปอันนี้คือการทำข้อสอบของชีวิตเราจะสามารถทำข้อสอบชีวิตให้ผ่านได้เราต้องมีครูอาจารย์เป็นคนสอนเราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่รู้เรื่องวิธีทำข้อสอบเหล่านี้ ถ้าไปเรียนกับผู้อื่นไปเรียนตามสถาบันการศึกษาศึกษาต่างๆในโลกนี้ยังไม่มีใครรู้วิธีทําข้อสอบของชีวิตได้ต้องมาที่พระพุทธศาสนาเท่านั้นที่มีพระพุทธเจ้าที่ใจสงค์พบวิธีที่จะทําข้อสอบอันนี้ได้ที่จะทําที่จะทําให้ใจไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้แล้วก็พาราลีสงสาวก ที่พระเจ้าได้สงสอนแล้วนำอาไปปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สามารถทำให้ใจหยุดพ้นจากความทุกข์ของความแก่วความเจ็บความตายได้เช่นเดียวกันบุคคลเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสาวกุก็ดีก็จะเป็นผู้ที่สามารถที่จะสั่งสอนวิธีทำให้ใจเราไม่ต้องทุกขกับความแก่วความเจ็บความตายได้ด้วยการทาใจให้สงบในเบื้องต้น ทำสมาธิก่อนให้มีสมาธิเป็นเครื่องอยู่ก่อนเมื่อเรามีสมาธิเป็นเครื่องอยู่เราก็จะได้ไม่ต้องอาศัยร่างกายเมื่อเราเห็นว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นไม่ใช่ตัวเราของเราไม่เป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับให้มันอยู่เป็นเราของเราโดยได้ตลอดเราก็อย่าไปยึดติดมันเราก็อย่าไปหวังอะไรจากมันมันจะแก่จะเจ็บจะตายก็ต้องยอมมาให้มันแก่เจ็บตาย พอ oh, ใจยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายเวลาร่างกายแก่เจ็บตายใจก็จะไม่ทุกข์ mm hmm. ใจก็จะรู้สึกเฉยเฉยพอใจไม่เดือดร้อนกับการไม่มีร่างกายพอ oh, ใจสามารถมีความสุขจากการทำใจให้สงบได้นั่นเอง mm hmm. อันนี้คือวิธีการทำข้อสอบของชีวิตที่พวกเราทุกคนจะต้องเจอกันตราบใดถ้าเรายังมาเกิดในโลกนี้อยู่เรายังต้องเจอข้อสอบอันนี้อยู่ ทุกคนไม่ว่าจะรวยจะจนจะสูงจะต่ำจะใหญ่จะเล็กจ ะ, จะฉลาดหรือโง่ก็ตามต้องทําข้อสอบนี้ด้วยกันทุกคนแล้วจะทําได้ก็ต้องมีครูอาจารย์ที่ทำข้อรู้วิธีทําข้อสอบเหล่านี้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นพวกเราถือว่าโชคดีที่เราได้มาเกิดในเมืองพุทธได้มีครูบาอาจารย์มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นผู้คอยสอนให้เราทำข้อสอบอันนี้กันได้ถ้าเราไม่ได้เกิดในเมืองพุทธไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเราจะไม่มีวันที่จะทำข้อสอบอันนี้ได้เลยแต่ให้เป็นชาติมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามแต่คนทุกคนที่อยู่ในชาติมหาอำนาจนี้เขาจะไม่รู้วิธีทำข้อสอบอันนี้ได้เลยเขาจะต้งทุกกับความแก่ความเจ็บความตายกันทุกคนแต่ถ้าเรามาเกิด ในประเทศที่มีพระพุทธศาสนามีคูค่คนคอยสอนให้เราปล่อยวางร่างกายให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในะหาความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสต่างๆก็ให้มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบจากการทำสมาธิกันเราใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปยึดไปติดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา มันเป็นดินน้ำลมไฟมันเป็นธรรมชาติที่เกิดแล้วจะต้องดับไปเป็นธรรมดาพอมันจะดับก็ต้องปล่อยให้มันดับไปใจของเราก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปนี่คือวิธีการทําข้อสอบของชีวิตที่นํามาฝากท่านในวันนี้ก็พอดีสมควรกับเวลาที่ได้กําหนดไว้คือ30นาทีเวลาก็ได้หมดลงแล้วดังนั้นดังต่อไปนี้ลํา ด, ดับต่อไปนี้เราก็จะมาปฏิบัติธรรมกัน มาเปลี่ยนวิธีหาความสุขแทนที่จะหาความสุขจากร่างกายจากรูปเสียงกลิ่นรสเราจะมาหาความสุขจากการทําใจให้นิ่งให้สงบวิธีที่จะทาใจให้นิ่งให้สงบเราต้องมีสติคอยกากับใจคอยควบคุมใจไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆให้ได้การที่ใจจะไม่คิดเรื่องราวต่างๆได้ใจต้องมีกรรมฐานคืออารมณ์ที่ผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ กรรมฐานก็มีหลากหลายชนิดด้วยกันที่เราใช้กันในสายนี้ก็คือสายพระป่านี้ก็จะใช้พุทธโธกันเป็นหลักใช้คําบริกรรมพุทธโธพุทธโธเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเวลานั่งสมาธิหรือใช้ลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกเรียกว่าอาณาปานาสติ อานาปานะแปลว่าลมเข้าลมออกสติก็คือการระลึกรู้อยู่กับลมเข้าลมออกถ้าพุทธานุสติก็ให้ระลึกรู้อยู่คำเร่กรมพุโทโธพุโทโธไปถ้าเวลาเริ่มต้นนั่งแล้วใจยังฟุ้งยังคิดมากอยู่ก็ให้ใช้ธรรมานุสติคือให้ระลึกรู้อยู่กับพ่อธรรมคำสอนคือบทสวดมนต์ต่างๆให้ท่องบทสวดมนต์ต่างๆไปก่อน หรือใช้การฟังเทศฟังธรรมอย่างที่เราได้ทำกันในขณะนี้ก็ได้ฟังเทศฟังธรรมกล่อมใจไปก่อนพอใจไม่ฟุ้งซ่านแล้วใจสามารถอยู่กับลมหรืออยู่กับพุโทโธได้เราก็มาดูลมมาพุโทโธกันต่อไป mm. เวลาที่นั่งยังอยาาปล่อยให้ใจนั่งเฉยๆต้องมีอะไรให้ใจทำต้องมีอะไรผูกใจถ้าไม่พุโทโธก็ต้องดูลมหายใจบางคนก็ใช้ทั้งลมหายใจทั้งพุโทโธ คู่ ก, ก่อนไปก็ได้เวลาหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโท ก, ก็ได้บางท่านก็ดูลมเฉยๆไม่ใช้พุทโท ก, ก็ได้ดูที่ปลายจมูกให้รู้ว่าลมเข้าลมออกไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมลมจะอยากจะละเอียดจะสั้นจะยาวก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของลมไปเรามีหน้าที่ผูกใจไว้อยู่กับลมให้รู้อยู่กับลมเฉยๆเท่านั้นก็พอ หรือถ้ายังนั่งไม่ได้ยังพุโทโธไม่ได้ดูลมไม่ได้ก็ใช้ธรรมานุสติสวนบทธรรมะไปก่อนบทใดก็ได้บทแผ่เมตตาก็ได้บทอาการสามสิบสองของร่างกายก็ได้บทอิติปิโสก็ได้สวดไปก่อนให้ใจเบาให้ใจหายจากความคิดมากความคิดฟุ้งซ่านต่างๆแล้วค่อยมาดูลมต่อหรือมาพุโทโธต่อ ขณะที่ทำสมาธิอยู่เวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาในใจก็ไม่ต้องไปสนใจต่เป็นภาพก็ดีเป็นแสงเป็นสีก็ดีเป็นเสียงก็ดีเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมาสัจจัรย์ก็ดีอย่าไปสนใจมันเป็นของหลอกเราให้เราเสียสมาธิจะทำให้เราไม่สามารถทำใจให้นิ่งให้สงบได้ถ้าจะให้ใจเรานิ่งให้สงบเราต้องอยู่กับกรรมฐานที่เรากาหนดไว้เพียงอย่างเดียว ถ้าเราใช้กรรมฐานอย่างอื่นนอกเหนือจากกรรมฐานที่ได้แสดงไว้ในตอนนี้ก็สามารถใช้ได้ถ้าเคยนั่งแบบไหนใช้กรรมฐานแบบไหนแล้วทําให้ใจนิ่งให้สงบได้ก็ใช้แบบนั้นไปได้นี่คือวิธีการนั่งหลังไนี้เราก็จะนั่งสมาธิกันจนกาจะหมดเวลา ตอนนี้เวลาสําหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกก็ให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบหรือไม่สงบอย่างไรถ้าสงบดีก็ให้จําวิธีนั่งของวันนี้ไว้เวลานั่งต่อไปคราวหน้าก็ใช้วิธีนี้นําไปนั่งต่อได้เลยแล้วใจก็จะสงบอย่าไปอยากให้มันสงบเพราะความอยากจะไม่ทําให้มันสงบต้องวิธีนั่งที่ถูกต้อง มีสติอย่างต่อเนื่องก็จะทําให้ใจสงบได้ใหม่ถ้ายังไม่สงบวันนี้ก็แสดงว่าสติเรายังมีไม่มากพอควรจะหมัน่นเจริญสติได้ทั้งวัน<ม>ควร จ, จะเจริญทั้งวันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอย่าปล่อยให้ใจลอยไปที่อื่นแล้วเวลานั่งสมาธิข่าวต่อไป ใจก็จะมีสติมากจะน่างง่ายจะสงบ ไ, ได้ง่ายขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้ตอน <c oughs> ยะธาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตจินังเปตานาังอุปกปาปปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโต สัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนาราโสยธามณิโชติอาราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโลควินัสตุมาเตภวตวันตรายอสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนาสีฤทสนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวาทาันติอายุวันโนสุขังภาลาังช่วงตออ่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถา ม, ถาม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 วันนี้มีผู้รับฟังธรรมน้ากุติจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ341ท่าน YouTube พระชุชาติ Live 263 YouTube Dr. V 29วิทยุออนไลน์10 Clubhouse 5หน้ากุติ143รวมทั้งหมด691ท่านค่ะคำถามจากทาง Facebook ค่ะ นั่งสมาธิเห็นร่างกายตัวเองเป็นเหมือนรูปโปรง่งไม่มีน้าหนักประมาณห้านาทีเจ้าค่ะโยมไม่ทราบความหมายเจ้าค่ะอยากกับเรียนพระอาจารย์เมตตาโปรดเจ้าค่ะไม่ควรจะไปสนใจควรจะอยู่กับพุทธโธหรืออยู่กับลมหายใจไปภาพเหล่านั้นบาปรากฏมันจะเป็นอะไรก็ไม่ได้ทำให้ใจเราสงบได้ ถ้าอยากให้ใจเราสงบต้องอยู่กับพุโทโธแล้ว อ, อยู่กับลมหายใจคืออย่างเดียวคำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะฝึกนั่งสมาธิแล้วหลับมีความหมายอย่างไรคะสมาธิแล้วหลับเลยก็ไม <c oughs> ่มีสติหมดสติมันก็หลับคนเมาเหล้าเราไม่มีส ต, สติก็หลับ คำถามจากทาอินบ็อกซ์ค่ะดิฉันสวดมนต์ทุกวันแต่ปวดหลังมากเวลานั่งสวดดิฉันเลยนอนสวดมนต์แทนไม่ทราบว่าตอนสวดบทบูชาพระราาัตนตรัยตรงกราบเราไม่ได้นั่งสวดเราสามารถยกมือจรดหน้าผากแทนก้มกราบเพราะเรานอนสวดทำแบบนี้ได้ไหมคะเราอยู่คนเดียวเราจะทำยังไงก็ได้ คำถามจากทางเฟซบุ๊กคำถามคำถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติค่ะการถือศีลห้าหรือศีลแปดในทุกวันจะต้องอาราธนาศีลก่อนไหมเจ้าคะ่ะอาอราธนาก็ได้ไม่อาราธนาก็ได้ที่สําคัญไม่ได้อยู่ที่อาราธนาหรือไม่อาราธนาอยู่ที่การรักษาหรือไม่รักษาถ้ารักษาก็ถือว่าเราก็มีศีลถ้าอาราธนาแล้วไม่รักษามันก็ไม่มีศีลอยู่ดี คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะผมนั่งสมาธิแล้วน้ำตาไหลบ่อยแต่ไม่ได้มีความเศร้าใจอย่างนี้แปลว่าอะไรครับก็ไม่ต้องสนใจถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องสนใจคำถามจากทาง Facebook ค่ะเราควรวางใจอย่างไรเมื่อเด็กรุ่นใหม่ที่ใกล้ชิดแสดงความก้าวร้าวทางวาจากับมันดาอย่างรุนแรงเขาคิดว่าพ่อแม่เป็นภาระของเขาเราได้แต่ เราได้พูดให้เขาตระหนกักแต่ไม่ได้ผลกลายเป็นทะเลาะ ก, กันไปคะ่ะก็ส่งเข้าไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมวเวลาไม่ดีพอสำหรับคุณก็ไม่ต้องมาอยู่กับเราคำถามจากทางเฟ e บ o o กค่ะนั่งสมาธิเราใจสงบเป็นอย่างไรคะต้องทำดูถึงยะรู้ คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะลูกไปถือศีลบนเขากินแค่น้ำเปล่าได้สองวันวันที่สามกินน้ำเข้าไปทำไมมันถึงเกิดอาการจะอ้วกเจ้าค่ะก็ต้องไปถามหมอดูคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะนั่งสมาธิแล้วเห็นภาพปรากฏเป็นสมาธิขั้นไหนครับไม่มีภาพนั่งสมาธิต้องการความว่างถ้ามีภาพอย่าไปสนใจ ให้อยู่กับกรรมฐานต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะสงบนิ่งแล้วก็จะว่างคำถามจากทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติค่ะเริ่มพิจารณาเห็นว่าจิตสงบไม่สงบจริงแล้วแค่สิ่งที่รู้ขอโทษค่ะเริ่มพิจารณาเห็นว่าจิตไม่จิตสงบไม่สงบจริงแค่สิ่งที่รู้จากสภาพจิตเดียวกันเหมือนเหรียญที่มีสองหน้า แต่ยังไม่เห็นแจ้งมากเพียงแค่เริ่มตระหนักรู้เบื้องต้นพิจารณาเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่ครับไม่ถูกครัการนั่งสมาธิให้สงบไม่ต้องพิจารณาให้เพ่งให้ดูลมแล้วพุทโธไปพิจารณาแล้วก็ไม่มีวันเจอความสงบได้คำถามจากทางเฟ e บุ o k ค่ะ เจริญสติเป็นประจำเดินจงกรมแล้วสวดมนต์แล้วฟังธรรมแล้วมานั่งสมาธิแล้วใจก็ยังไม่สงบมีอาการตึงปวดหัวบ้างควรปฏิบัติอย่างไรต่อครับควรจะทำให้มีสติมากๆอย่าปล่อยให้ใจลอยทําสักแต่ว่าทําแต่ใจไปคิดเรื่องงั้นเรื่องนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องคอยควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆคาถามจากทาง Facebook ค่ะ เวลาพระให้พรควรทำใจรับพอรอย่างไรคะนิ่งสงบนะจากทางเฟ e บ o o กค่ะจากคุณเจพิมพิมวีค่ะขออนุ ญ, ญาตอาจารย์ค่ะวันนี้วันเกิดน้องสาวขอโอกาสพระอาจารย์เมตตาอวยพรให้น้องมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจได้ไหมคะได้แต่ยากรบเมื่อเกิดจะดีกว่านะ จะไม่ตมาขออยู่เรื่อยๆถ้าไม่เกิดแล้วก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็ บ, ไ ม, มจบไม่มีตายถ้าตราบใดมีการเกิดตราบนั้นก็ยังมีการแก่การเจ็บการตายคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วว่างกลับมาจับประคำในข้อมือให้มีสติถูกต้องไหมครับ ให้มีสติดูเฉยๆไปไม่ต้องทำอะไร <c oughs> อามีใครอยากจะถามอะไรไหมอันนี้ยังพอมีเวลาอยู่สงสัยอะไรก็ถามได้จะได้กระจ่างจะได้เข้าใจแล้วจะได้นำมาไปปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปส่วนใหญ่นั่งสมาธิกันไม่ถูก นั่งสมาธิเพื่อทาใจให้หยุดคิดให้นิ่งอย่ากลับไปนั่งพิจารณาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปตามรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรียกว่าการนั่งสมาธินั่งสมาธิต้องใจต้องเพ่งอยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกไปอย่าไปรับรู้เรื่องอะไรทั้งสิน้นที่มาปรากฏให้รับรู้ปล่อยให้มันมาเดี๋ยวมันก็ไป อย่าไปพิจารณาว่าเป็นอย่างนั้นนรืเป็นอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเป้าหมายของการนั่งสมาธิเพื่อให้ใจนิ่งให้สงบเราจะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความมหัศจรรย์ใจอยู่ที่ความนิ่งของใจนี่ไม่ได้อยู่กับสิ่งอื่นๆที่ปรากฏให้รับรู้ดังนั้นอย่าไปสนใจกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นเวลานั่งสมาธิให้เพ่งอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับกรรมฐาน ที่เราใช้กำหนดจะพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปจะใช้ลมก็พุโทโธใช้ลมไปดูลมไปคำถามจากทาง a c e b o o k ค่ะการพิจารณาออกทางปัญญาออกยังไงครับยังไม่ต้องไปหรอกถ้าถ้าจะพิจารณาก็พิจารณาเรื่องเกิดแก่เจ็บตายก็พอนี่คือปัญญาร่างกายของเราเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายให้รู้แค่นี้ล้วพยายามปล่อยวางร่างกายให้ได้ ยามรับความแก่ความเจ็บความตายให้ได้คำถามจากทาง Facebook ค่ะการรักษาศีลห้าถ้าเราทำบาปฆ่าสัตว์โดยไม่เจตนาลูกจะบาปไหมเจ้าคะถ้าไม่มีความตั้งใจในบาปแต่จะมีมีเวรได้ไปทำาทําให้เขาเสียหายเดือดร้อนเขาก็อาจจะมาจองเวรจองกรรมเราได้แต่ไม่ต้องใช้ไปไม่ต้องไปใช้บาปในอบายเพราะเราไม่มีเจตนาความตั้งใจจะทาบาป คำถามจากทาง Facebook ค่ะโยมเป็นโยมเป็นคนโมโหรุนแรงต้องแก้ยังไงเจ้าคะก็ฝึกสเส ต, ตไปเรื่อยๆให้มีพุทโธพุทโธอยู่ในใจแล้วจะทําให้ความโกรธรุนแรงนี้เบาบางลงได้แล้ถ้าอยากจะให้ไม่มีโกรธอะไก็ต้องตัดความอยากทั้งหมดไปอย่าไปอยากได้อะไรจากใครถ้าเราไม่อยากได้อะไรจากใครแล้วเราก็จะไม่โกรธใครที่เราโกรธเพราะเราไม่ได้ดังใจเราอยากของเรา คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะนั่งสมาธิอยู่กับลมแล้วเหมือนสมองมันหยุดคิดแบบหยุดเลยแล้วรู้สึกโล่งๆแบบนี้ถูกไหมครับควรทำอย่างไรครับถูกต้องแล้วล่ะให้มันโล่งๆนิ่งๆเฉยๆไปให้นานที่สุดคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะความอยากที่เข้าพระนิพพานถือว่าเป็นกิเลสไหมครับเป็นธรรมไม่ได้เป็นกิเลสทาให้พ้นทุกข์ มีใครอยากจะถามไหม้เพอเดี๋ยวถ้าเลิกแล้วจะมาถามนี่จะไม่สะดวกที่จะตอบต้องขออภัยด้วยนะ mm hmm. ไม่สามารถตอบคำถามส่วนตัวได้คือตอบได้แต่ต้องตอบตอนนี้ตอนที่มี ม, มีไมค์มีอะไรไปพูดแล้วมันเสียงมันจะได้ดัง mm hmm. เวลาเลอกแล้วมันจะไม่สะดวกเพราะต้องมีการเคลื่อนไหวทำอะไรต่างๆอีก คำถามจากทาง Facebook ค่ะได้ยินครูบาอาจารย์บางท่านสอนเรื่องปรมัดสภาวะธรรมเช่นถ้าไม่ถ้าไม่นั่งสมาธิดูการคือความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งไหวตึงโดยไม่ต้องใช้คำบริกรรมเพราะบริกรรมคือบัญญัติเป็นสังขารปรุงขึ้นแต่ตัวเองใช้คำบริกรรมแล้วรู้สึกว่าจิตไม่ค่อยฟุ้งมากอะไรคือถูกหรือผิดคะก็ดูที่ผลเนะ่ เราต้องการความสงบถ้าทำอะไรแล้วมันสงบ น, นั่นแหละเป็นเป็นวิธีที่ถูกขนะอกคุณหมอเชิญกรับนะ้ำมาสการ์ค่ะก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลทุกวันก็เห็นคนตายทุกวันค่ะอ ม, มองแล้วก็รู้ว่าสักวันก็ก็คงเป็นเราที่ต้องมาเป็นแบบนี้ค่ะแต่ก็ยังกลัวค่ะ พิจารณายังไงคะกลัวไม่ได้กลัวที่จะตายอะคะ่ะแต่เห็นว่ากวดถึงเวลาเจ็บป่วยจนถึงจะตายะคะ่ะมันเป็นทุกขเวทนาค่ะพระอาจารย์เพราะใจเราไม่นิ่งใจเราก็เลยกลัวถ้ามีสมาธิใจก็จะหยุดความความกลัวได้ฉนั้นต้องฝึกสมาธิปัญญาอย่างเดียวยังไม่สามารถดับความทุกข์ได้ต้องมีสมาธิกํากับด้วยเขาเรียกว่าภาวนามย์ปัญญา ปัญญาที่มีภาวนาคือสมาธิเป็นผู้สนับสนุนปัญญาก็ยอมรับความจริงว่าเราต้องตายแต่ใจมันไม่ยอมรับมันยังกลัวอยู่พอเราทําสมาธิให้ใจนิ่งไอตัวที่ปฏิเสธความความจริงมันก็จะหยุดทํางานใจก็จะไม่กลัวใจก็จะเฉยเฉยได้ฉนั้นที่ต้องทํามากๆก็คือฝึกสติเพื่อมานั่งสมาธิมานั่งสมาธิแล้วใจนิ่งแล้วใจก็จะเฉยได้ อันนี้เราได้ครึ่งหนึ่งแล้วได้ปัญญาแต่ไม่ได้สมาธิไม่ได้ภาวนาปัญญามันมีสามระดับเนียระดับแรกเรียกสุตตะมายาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการศึกษาได้ยินได้ฟังปัญญาขั้นที่สองเรียกว่าจินตามายาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาค่ายควรอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้ลืมอันนี้สองงานนี้เรามีแต่สองงานนี้ดับความทุกข์ไม่ได้ ต้องใช้ปัญญาอันดับที่สามก็คือเราต้องไปฝึกสมาธิเพื่อให้ปัญญาของเรานี้กลายเป็นภาวนาเมย์ปัญญาเป็นปัญญาที่มีพระการภาวนาเป็นการการทําใจให้สงบเป็นพื้นฐานแล้วใจจะสามารถอยู่เฉยๆไม่กลัวความความตายความเจ็บได้นัง่งพยายามฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆมโนอยู่ที่วัดจาร์นี่เหรอในที่สี่จิต อ๋อย้ น, นสิลิกิจจำไม่ได้ต้องขออภัยด้วยมีอะไรอีกไหม อ, นนอันนี้เวลาทำงานก็ให้มีสติอยู่กับตัวพยายามตัดความคิดหยุดความคิดให้น้อยลงไปคิดเท่าที่จำเป็นให้อยู่กับปัจจุบันให้มากๆแล้วมีเวลาว่างก็นั่งหลับตาสัก5านาทีสิบนาทีก็ยังดีฝึกสมาธิไปเรื่อยๆเอา ว, เวันละน้อยก่อนไม่ต้องไปตั้งเป้าหมายสามสิบนาทีหรืออะไรหรอก เอาแค่นั่ง้ให้ได้ห้านาทีก่อนถนะ้วต่อไปมันก็จะนั่งเพิ่มได้มากขึ้นเองถ้วต่อไปมันก็จะทำใจได้เรามีปัญญาแล้วเรารู้ว่าร่างกายไม่เที่ยมร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นดินน้ำลมไฟการสมาธิทั้งอย่างที่เราไม่มีก็เลยทำใจให้เฉยไม่ได้แล้าทีออ่อย่างบางคนเวลาเขาจะเสียชีวิตนะคะ เขาก็ให้ยานอนหลับอย่างเงี้ยค่ะให้หลับไปจริงๆแล้วในช่วงที่เราจะเสียชีวิตเนี่ยค่ะจริงๆเราควรจะมีสติอยู่ตลอดไหมคะแต่มันก็มันก็เห็นถึงทุก เ, เวทนามันแสนสาหัสมากค่ะพระอาจารย์ถ้ามีสติก็ดีมันก็จะทําให้ใจเราเฉยกับเวทนาได้แต่ถ้าไม่มีสติมันก็ไม่มีสติมันก็จะทรมานคนก็เลยคิดว่าการทําให้ตัวเองนอนหลับไปแล้วจะหายทรมาน มันก็ถึงก็ เ, เป็นการฆ่าตัวตายมันก็ถ้าทาตั้งใจให้มันตายมันก็มันก็บาปแล้วก็ไม่ยอมทำข้อสอบหนีข้อสอบหรือคราวหน้ากลับมาก็เจอข้อสอบเดิมข้อสอบตกเหมือนเดิมแต่ถ้าเราพยายามทาข้อสอบตอนนี้เสียยอมฝึกสติให้ใจวางเฉยเฉยเสียกับความเจ็บกับความตายได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมาทําข้อสอบนี้อีกต่อไป ก็หนีไม่ค้นการมีสติการมีปัญญาปัญญาสามารถทำให้ใจเราไม่กลัวมองร่างกายว่าเป็นเป็นอีกคนหนึ่งเราเป็นใจเราเป็นคนใช้ร่างกายร่างกายเป็นคนรับใช้เราไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วก็มันต้องไม่มันต้องตายต้องเจ็บห้ามมันไม่ได้ท่านั้นเองแล้วทาใจให้เฉยๆไป เวลามันจะเจ็บจะตายก็ให้มันเจ็บให้มันตายไปถ้าเราไม่มีคมอยากรู้ใจเราจะไม่ทรมาร์ตใจนะคำถามจากทาง a c e b o o k ค่ะการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นลูกที่ดีไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนมันศึกษาธรรมะถือเป็นความกะตันยูในหน้าที่ของการเป็นลูกหม่เจ้าคะ ก็มันมีหลายหน้าที่ด้วยกันต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ต้องคอยรับใช้พ่อแม่เวลาที่พ่อแม่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ทําตัวให้เป็นคนดีเพื่อที่จะได้ทําทให้พ่อแม่มีความสุขใจไม่ทุกข์ใจถ้าเราทําตัวเราเป็นคนสา ม, มเณรเทเมาลนี่เราก็สร้างความทุกข์ใจให้กับแม่พ่อแม่เราดังนั้นก็มีหลายหลายหลายวิธีของการการมีความกตัดแย้งอู หมดแล้วยังหรยังไม่มีคำถามใหม่ค่ะเอียง okay, ไม่มีก็ไปแล้ววันนี้ืะขอให้ท่านลรงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทธอ